พอความสุขความเจริญจุงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ก็คงพูดเรื่องพระสูตรในสังยุตติกายสูตรต่อไปสูตรต่อไปนั้นท่านเรียกว่านัสสันติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการกำจัดเบญเจขันคือ กำจัดทุกมีข้อความเช่นเดียวกับพระสูตรดื่นๆในตอนต้นคือพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันอันเป็นอารามของอนาถบินธิกาเศรษฐีในกรุงสาวัตถีเมื่อปฐมยามผ่านไปแล้วก็คือพูดถึงตอนเชื่องคืน พวกเทวดากลุ่มเดิมคือกลุ่มที่เรียกว่าสตุลละปากายิกามากด้วยกันคือเทวดาชุดนี้เราเคยพบหลายสูตระก็เคยพบใกล้ๆนะั่คือสับปรษษสูตรกับสาทุสูตร ท่านบอกว่ามากด้วยกันก็คือไม่บอกทั้งหมดคือตามปกติแล้วเทวดาชุดนี้ก็มีอยู่700ก็มีหัวหน้าชุดละหนึ่งแล้วก็มีมีบริวาร100ก็เป็นพวกที่ บังเกิดในสุกติเพราะการสมาทานศีลก่อนเรือจะจมลงไปในทะเลแล้วก็ตายด้วยใจที่ผ่องใสก็เป็นการรักษาศีลระยะสั้นๆคือถ้าดูคำนวณเวลาแล้วก็ไม่ไม่น่าจะถึงหนึ่งชั่วโมงเพราะเริ่มสมาทานศีลตอนเรือค่อยๆจมลงไป แล้วก็แบ่งเป็นชุดๆก็ เ, เป็นเจ็ดชุดด้วยกันก็เข้าใจว่าคล้นลงคงแรงอจะว่าทีเดียวก็คงจะได้ยินกันไม่ตัวถึงเลยก็แบ่งออกเป็นชุดชุดสุดท้ายนี่สมาทานศีลตอนที่น้ำท่วมถึงคอแล้วพอจบศีนก็จมพอดี แสดงให้เห็นถึงอ น, นิสง์ของบุญกุศลระดับศีลที่ท่านแสดงเอาไว้ว่าสิเลนสุกติยันติบุคคลจะบังเกิดในสุกติได้ก็บพระศีลแต่ประเด็นนี้สําคัญอย่างยิ่งก็คือตายด้วยจิตที่ผ่องใสก็สอรับกับพระพุทธภาสิต ท, ที่ทรงแสดงว่าเมื่อจิตไม่เศร้าหมองก็หวังได้ว่าจะไปบังเกิดในสุกติ แว่าในบาลีประเทศอื่นส่วนใหญ่เนี่ยจะทรงแสดงในลักษณะรับรองผลผลของศีลโดยตรงว่าเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกย่อมบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ทีนี้ถ้าหากว่าศีลเหล่านั้นมันขึ้นไปถึงธรรมะเราขึ้นไปถึงระดับฌาน ก็จะพูดถึงการอุบัติบังเกิดในพรหมโลกแล้วก็เป็นรายละเอียดที่ว่ากันไปในรายไปก็เป็นตำเนียมแบบเทวดาเกิดทำพระเชตวันทั้งปวงให้สว่างสวยด้วยรัศมีของตนเองแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถวายพิบาติแล้วก็ยืน อยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งและเทวดาตนหนึ่งก็กราบทูลก็ไม่เชิงที่จะเป็นการถามปัญหาจะเป็นการกล่าวคาถาทำนองต้องการจะเทียบเคียงความเข้าใจของตนเองในกรณีนี้ว่าถูกต้องหรือไม่เช่นเดียวกับสับปะรดสูตรและก็สาทุสูตรที่ ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแต่ใ น, นที่สุดก็จะมีการถามในช่วงสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้ถามปัญหาคือถามได้เพียงว่าคํากล่าวของพวกท่านเนี่ยของใครเป็นสุภาษิตก็เรียกว่ากล่าวดีแล้วกล่าวงามแล้วกล่าวชอบแล้วกล่าวถูกต้องแล้ว ทังพระเจ้าก็จะทรงอนุมโมทนาบอกว่าเป็นสุภาษิตแต่ละปริยายคือแต่ละนยะนยยะเพราะว่านยะที่ท่านยกขึ้นมานั้นแตกต่างกันในตอนต้นนั้นก็จะสอดรับกันแต่ว่าก็จะมีแตกต่างกันในประเด็นสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นหลายหลายประกาศฐา ข้อความต่อไปที่จริงแล้วค่อนข้างลึกซึ้ ง, งก็ยังนึกว่า เ, เทวดานี่ก็เป็นสัตว์ในปลายเหตุคือเกิดโดยอโลพาโทสะโมหะเพราะในบารมีธรรมในอดีตของท่านเนี่ยมันคงจะไม่ใช่ธรรมดานะเพราะถ้าบารมีในอดีตไม่หนุนก็เพียงแต่รับศีนิดหน่อย ก็ไม่น่าจะคุมจิตไว้ได้เพราะความเข้าใจของธรรมะแต่และเรื่องไม่ว่าเรื่องของทานก็ดีเรื่องของสัตว์บุรุษก็ดีหรือถ้าราดูแล้วก็ลึกซึ้งแต่ว่าเนื่องจากเป็นเรื่องของเทวดาปัญหาแต่ละสูตรนั้นเราจะพบว่าเป็นคํากล่าวที่เป็นสุภาษิตที่ลึกซึ้ง แล้วก็ไม่มีคำกล่าวใครที่ผิดหมดมมมเพียงแต่ว่ามันเป็นระดับสังคมบางเรื่องเนี่ยมันเป็นระดับสังคมเจนว่วพูดถึงบรรดาบุตรทั้งหลายบุตรหัวปีเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอย่างนี้มันมันเสี่ยงต่อการจะไปยืนยนันพระพุทธเจ้าก็ส่งปฏิรูปให้ ว่าบรรดาบุตรทั้งหลายเนี่ยบุตรที่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่เนี่ยประเสริฐที่สุดหรือว่าผู้ตั้งพัญญาสาวเป็นสุดยอดของพัญญาก็ญญาาเป็นคตินิยมแบบชาวโลกแต่พระเจ้าก็ทรงแสดงว่าพัญญาที่ปฏิบัติหน้าที่ของพัญญาดีเด็ก็มีความซื่อสัตย์ต่อสามีเนี่ยเป็ น, เ ป, นเป็นพัญญาที่ดีที่สุด ซึ่งอาจจะสาวรู้ก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่าจะเน้นที่ตัวความประพฤติมากกว่าเน้นที่ภาพลักษณ์ก็ไม่ได้ไปเสดภาพลักษณ์สิ้นเชิงคือลูกหัปีอาจจะดีที่สุดก็ได้หรืออาจจะไม่ดีที่สุดก็ได้แต่เราถ้าเราพูดประเด็นว่าลูกที่อยู่นาวาดเนี่ยประเสริฐที่สุด คือไม่ได้เจาะจงคนแต่ว่าให้มองที่ความประพฤติจึงก็มีลักษณะรับผิดชอบได้แล้วก็อ่อนตัวสูงเป็นความไพเราะในเชิงเนื้อหาแล้วก็ภาษาเสรมาความมาไม่มีโอกาสผิดแต่ของเทวดาเองก็ไม่ถึงกับผิดร0อร์เซคือบางทีอาจจะผิดก็ได้เพราะพูดอย่างนั้นเนี่ย แล้วก็อาจจะถูกก็ได้ท่านกล่าวว่ากามทั้งหลายในหมู่มนุษย์ที่เป็นของเชี่ยงย่อมไม่มีหมายความว่ากามในที่นี้คือว่ากามเนี่ยแบ่งโดยสรุปก็เป็นวัตถุกามคือพวกอารมณ์โลกก็ไแ้่แกรูปเสียงกลิ่นรสผภัพธรรมารม แต่ในขณะเดียวกันภายในใจเราก็มีกิเลสกามา <c oughs> คือความรู้สึกกําหนัดรักใคร่ยินดีพอใจต้องการปรารถนาตันหาอมาตตันหาภาะวะตันหาพวกนี้ก็เป็นปุลพวกกิเลสกามด้ยวยกั น, น, น, นท่านบอกว่าที่ชื่อว่าเที่ยงเนี่ยมันไม่มีตนนแต่ว่าท่า น, น, น, นในที่นี้ท่านเน้นไปจริงๆเน้นไปที่ตัววัตถุกรรม ก็พระตาตาาจารย์ท่านท่านอธิบายนะฮะว่าเน้นไปที่วัตถุกรรมแต่จริงก็เป็นการยืนยันแบบสเพสังขาราอนิจจาคือสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเพรา ะ, ะไอ้กิเลสกรมเองเขาก็เป็นเจตสิกแต่ก็ก็เป็นสังขารมันอยู่ในกลุ่มของพวกสังขารขัน ในขณะเดียวกันพวกวัตถุการามเองส่วนห้าประเภทแรกก็อยู่ในพวกรูปประคันละประเภทสุดท้ายก็อยู่ในพวกนามขันก็ อ, อยู่ในพวกสังขารนั่นแหละเป็นแต่ว่าการเน้นให้ดูเนี่ยเนื่องจากจิตของคนไปยึดติดในพวกวัตถุการามนี่มากแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่เข้าใจว่าวัตถุกรมนั้นจะเที่ยงแท้ยั่งยืน แม้เราจะรับรู้ไอลองสังเกตว่าแม้แต่คนเป็นอุบาสกบาติกาเข้าวัดความรำจำศีลอยู่หรือบางทีอาจจะเป็นพระได้ําไปพอญาติพี่น้องตายก็ร้องหหมร้ อ, รองไห้เสียวเสียใจนั่นก็แสดงว่าลึกๆเนี่ยไปคิดว่าสิ่งนั้นมันเที่ยงแต่แท้จริงญาติพี่น้องเราก็คือวัตถุกรรมอย่างหนึ่ง เป็นการพูดในรูปของสมมติบัญญัติตามคติของชาวโลกแต่ว่าเวลามองนึกซึ้งเนี่ยเราก็จะพบผัสสิทธ์ที่ทรงแสดงให้เห็นว่าไอ้รูปก็สักแต่ว่ารูปเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาสัญญาก็สักแต่ว่าสัญญาสังขารก็สักแต่ว่าสังขารวิญญาณก็สักแต่ว่าวิญญาณหรือตาหูจะูกเล่นกายมันก็พูดอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสก็พูดในลักษณะนั้น มันเป็นการสมสำหรับคนที่ไปดำริถึงหรือไปกำหนดว่าหน้าใครหน้าปรารถนาหน้าพอใจไอ้สิ่งนั้นมันก็เป็นวัตถุกรรมสำหรับคนนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะคิดอย่างคิดอย่างนั้นเหมือนกันธรรมาชุดนี้เราเจอเราเจอบ่อยแต่ถามว่าทำไมเจอบ่อยก็เพราะอารมณ์โลกอะเราเจอทุกวันนอะ คืโลกที่จริงเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเท่าไรหรอกเป็นเรื่องซ้ำๆซักๆพูดแล้วพูดอีกเจอแล้วเจออีกทําแล้วทําอีกเค่นสมมติว่าให้ลองสังเกตว่าชีวิตเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องซ้ํำซากนี่เยอะมากตั้งแต่เกิดจนตายซ้ำซากแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นภาพรวมๆเนี่ยภาพรว ม, รวมภาพส่วนใหญ่ ต้องมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตไอ้สิ่งมีชีวิตก็แก่ทํ้งซากเจ็บทั้งซากตายทํ้งซากป่วยซับซากลพลกาดพาดทั้งซากพอมาเป็นสังสารวัตรสารวัตก็อีกอะเกิดแก่เจ็ตายทํ้งซากเกิดแก่จะตายเกิดแก่จะบตายเกิดแก่จะตายมันก็หมุนอย่างงี้ยนะเพราะในสิ่งเหล่านั้นที่จริงถ้าเรา ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันมันก็ไม่เป็นกามสําหรับเราข้อนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าทรงเปล่ ง, รงพระพุทธูทานว่าดูก่อนกามบัดนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดํารินี้เองต่อไปเราจะไม่ดําริถึงเจ้าอีกแล้ว อ, อย่างที่ทรงแสดงว่าสังกับ巴拉โกปุริสัสกามโม ความดำริด้วยอํานาจของความใคร่เนี่ยมันเป็นกามของคนแต่ประจุตรงเนี้ท่านเน้นให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงแต่ว่าก็เน้นไปที่ส่วนของรู ป, ปวัตถุคืออารมณ์โลกแต่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยไอ้ดูอะไรก็ได้เราก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นสัจธรรมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง พระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่อุบัติไอการที่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทํา้ําปวงเป็นนัาตา ม, มันก็เป็นเข้ามนอย่างนั้นแหละแล้วไม่เคยเป็นอย่างอื่นเกิดมาเท่าไรก็ไม่เที่ยงเท่านั้นแหละตอนนี้ก็เป็นความถูกต้องท่านก็บอกว่าบุรุษผู้เกี่ยวข้องแล้ว ผู้ประมาทแล้วในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความคลายทั้งหลายอันมีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้ไม่มาถึงนิพพานเป็นชี้ไม่กลับมาแต่วัตตะเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุกภาษาค่อนข้างยากดีหน่อยคือหมายความว่าใครก็ตามนะคือไม่ไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตาม หมาความว่าการเกี่ยวข้องกับอารมณ์โลกด้วยความรู้สึกประมาทประมาทนะเป็นบทสรุปคนส่วนใหญ่ก็ประมาทเพราะคนที่ไม่ประมาทสมบูรณ์จริงๆก็อย่างที่เราพบบ่อยนะฮะบอกว่าก็คือพระอระหันต์การเกี่ยวข้องกับอารมณ์ด้วยความประมาทมันก็ทําให้ คนประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคอันนี้เป็นภาพรวมเลยทั่วโลกทั่วสาวกลระพิภพเล ย, เลยคนจะประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคของตัวเองแม้บางครั้งหมอเองเนี่ยก็ยังประมาทในความไม่มีโรคของตัวเองสวดเพื่อนเพลินแต่ไม่ได้สวดตัวเองก็เป็นธรรมดาธรรมดาของมนุษย์ผู้ประมาทแล้วก็กเป็นเขาอย่างนี้น เพรโอกาสที่จะเข้าถึงนิพพานซึ่งเชี่ยงเป็นสุขแล้วก็เป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะว่าความประมาทเนี่ยมันเป็นทางมาแหกอกุศลเป็นการเพิ่มพูนของกุศลไม่ใช่เป็นการเพิ่มพูขมนพพของอกุศลผลความประมาทจึงออกมา ก็เท่าไหร่ล่ะคือสามชุดใหญ่ๆนะฮะชุดแรกก็คือประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคแล้วมันก็นำไปสู่การประมาทในการละชั่วประพฤติดีพูดง่ายๆอย่างนั้นคือละชั่วประพฤติดีแต่เวลาส่งแสดงในส่งกระจายนะฮะ ทรงปรจะจายว่าไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวิจีสุจริตพูดง่ายๆว่าประมาทในการละชั่วประพฤติดีซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราประพฤติดีเราก็ละชั่ว หรือถ้าเร า, เ ร, าเราละชั่วเราก็ประพฤติ ด, ดีเพียงแต่ว่าทละชั่วเนี่เป็นการปฏิบัติระดับศีลประพฤติ ด, ดีเป็นการปฏิบัติระดับธรรมะระดับสมาธิระดับปัญญาแต่นั้นเองอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาทรงแสดงเรื่องนี้จะแสดงหลายนิยะแต่ว่าผลไมนเหมือนกันนิยะที่เต็มรูปเลย คือป้องกันชั่วขจัดชั่วแล้วก็เพิ่มปูนความดีรักษาความดีอันนั้นคือเต็มรูปตามโครงสร้างของสมาวยยมะแล้วตรงนี้มันจะเป็นโมเดลขนาดย่อยขนาดใหญ่ขนาดโลกคือขยายไปได้เรื่อยหมายความาการบริหารตนเองก็คือต้องขจัดต้องป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิด แล้วขจัดความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ปฏิบัติความดีที่ยังไม่เกิดแลาก็รักษาความดีที่เกิดแล้วไปถึงเรื่องครอบครัวไปถึงเรื่ององค์กรไปถึงเรื่องประเทศเหมือนกันพูดง่ายๆว่าป้องกันขจัดบำรุงรักษาเป็นภารกิจหลัก ของชีวิตแต่ละชีวิตแต่ทีนี้ถ้าเราประมาทบ้านก็ไม่ค่อยจะมีการป้องกันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เ, เรามักจะไปขจัดคล้ายๆยาฝรั่งเนี่ยยาฝรั่งกับยาของไทยคือยาสมุนไพรไทยเนี่ย มันจะมีความแตกต่าง ก, กันคือยาพระรังนี่จะมองในแนวของการขาจัดแต่ว่ายาของไทยเนี่ยมันเป็นแนวบำรุงมันมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้หายพูดพราดแต่ว่าค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่าหนักแน่นมั่นคงคือถ้าเราเปรียบเมือนการปลูกพืชแล้วเนี่ยยาพระรังเหมือนก็ฉีดยาเลย แต่ว่ายาไทยเนี่ ย, ย, ยเหมือนก็กินยาบำ ร, รุงถ้าปลูกพืชก็คือว่าฝรังก็คือต่อตาเลยแต่ถ้าคนไทยนั้นก็ปลูกด้วยมเมล็ดปลูกด้วยกิง่งปลูกด้วยหนอ่อปลูกด้วยอะไรเนี่ยนะคือเสียเวลาใช้เวลามากแต่ว่าหนักแน่นมันคงอีกแนวหนึ่ง มันจะออกมาในรูปของการละบาปบาเพ็ญบุญและทำจิตและผ่อผ่อันนี้คือแนวอาวาตารปติโมกหรือแนวของศีลสมาธิปัญญาแล้วก็แนวหนึ่งก็คือการละบาปบาเพ็ญบุญคือละชั่วประพฤติอันนี้ก็มันมันก็แนวอะไรล่ะคือแนวไม่คบ่านคบบัณฑิตเนี่ย เรยลองสังเกตว่าการไม่ครบผ่านก็คือครบบัณฑิตเพราะว่าคนในโลกม็มีสองประเภทนั่นมีคนดีกับคนไม่ดีหรือว่าเป็นมีบัณฑิตกับผ่านเมื่อเราไม่ครบอีกฝ่ายหนึ่งก็คือว่าเราครบอีกฝ่ายหนึ่งทำนองคล้ายๆกับเราไม่ไปทางซ้ายมือก็คือเราไปทางขวามือที่นี้การไปทางขวามือเนี่ยประสบการณ์ทางซ้ายมือเนี่ยเราจะไม่มี ผลทุกโทษต่างๆที่จะเกิดในสางซ้ายมือเนี่ยมันจะไม่เกิดแก่เราเพราะจริงๆตัวนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าผลดีงามนี่จะเจอบนเส้นทางเพราะนันบางครั้งมาข่าวที่ส่งแสดงอย่างเช่นรับสั่งตอบคำถามแกเทวดาที่มากราบทูนถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าคนจะเสื่อมหรือว่าจะเจริญ ก็รับสั่งว่าคนจะเสื่อมก็รู้ได้ง่ายคนจะเจริญก็รู้ได้ง่ายสรุปง่ายๆว่าผู้ใดใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ใดชังธรรมเป็นปผู้เสื่อมนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่คุณใคร่ธรรมหรือวรังเกียต์ธรรมถ้าคุณรังเกียต์ธรรมก็หมายความว่าเหมือนธรรมะอยู่ทางขวาเนี่ยคุณก็ไม่ไปแต่คุณจะไปทางซ้ายซึ่งก็เป็นทางทางเสื่อม คุ้กประสบความสุอ่อีกอย่างหนึ่งแนวอรอยิยมรรคเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแนวก็เรียกว่าภาวเวตประธรรมแนวทำความดีเลยแล้วตัวความดีที่เราทำนั่นเองจะขจัดสาเหตุแห่งความทุกข์แล้วก็เพิ่มความสุขให้ ก็เป็นกระบวนการที่อยู่ตามโครงสร้างการปฏิบัติตำหลักอริยสัจคือการเข้าถึงอริยสัจความไม่ประมาทอีกแนวหนึ่งเนี่ยมันเป็นการใช้สติที่คอด้างสูงสติสมัมปญญาความเพียรต้องสูงมากเพราะถ้ามาอย่างนั้นตั้งหลักไม่ค่อยทัน สงชัยกันว่าระวางังจิตจะให้กำหนัดในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคืออารมณ์ในเราคงประสบแหละเราก็หลบไม่ได้เราเพราะยังไงยังไงเราก็ต้องเห็นรู้ฟังเสียงดูกินริมรถถูกต้องยิ น, อนนอนแข็งอยู่แม้แต่หลับก็ยังฝันเลยบางทีปัญหาสําคัญมันไม่ได้อยู่ของตัวนั้นเรามันอยู่ยที่ว่า เรามีสติที่จะปิดกั้นกระแสะอารมณ์เหล่านั้นที่จะกระตุ้นกิเลส ข, ของเราได้หรือไม่แต่เราสามารถปิดกั้นได้แลว้วขจัดได้เราก็เลือกรับเฉพาะส่วนที่ดีรรักษาส่วนที่ดีเอาไว้มันก็ทีจริงส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทากันอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยเพียงแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นโครงสร้างเดียวกัน เช่นเราเดินไปไปเจอกลิ่นหอมหรืออากาศบริสุทธิ์เราก็สูดหายใจลึกๆโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเจอกลิ่นไม่ชอบมาพากลเราจะรีบอั้นลมหายใจทันทีเลยนั้นก็แสดงว่าเราก็มีความรู้สึกโดยอัตโนมัติว่าอะไรควรจะสูดหายใจเข้าไปหรืออะไรควรจะอั้นลมหายใจไว้ผลไม่จะเกิดในอนาคต ว่าถ้าเราสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปเนี่ยมันจะช่วยอย่างน้อยก็ทำให้ปอดเราดีขึ้นแต่ถ้าสูดเอาเอาอากาศที่มีพิษหรือแก๊สพิษเข้าไปมันก็มีปั ญ, ปญหาเราก็มีสติลึกทรนเพราะเราสังเกตว่าในปัจจุบันเนี่ย <S S การใช้สติจะต้องมีสูงขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น รู้เท่าทันต่ออารมณ์เ่านั้นแล้วก็ระวังจิตย้ายกัดเคอืองอารมณ์กระตุ้นในเกิดความเกิดเคืองเราก็มาแก้ที่จิตเราเราไปแก้ที่อารมณ์อะไรไม่ได้หรอกเช่มเขาด่าเรานี่เราจะแก้ไมหมเขาดา่าไม่ได้หรอกเราแก้ที่ใจเราคือไม่คิดจะด่าตอบแล้วไม่คิดจะโกรธตอบเขาทำชั่วเขาก็รับผลชั่วไป นั่นก็วิธีมองตอนนั้นก็สรุปว่าในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นจะกระตุ้นกิเลสเราก็ปิดกั้นจิตเอาไว้ในกรณีที่เกิดธรรมะก็เปิดจิตรับก็จะทําให้มีการชําระล้างภายในจิตเราหมายความว่ากิเลสที่ยังไม่เกิดโอกาสที่จะเกิดมันจะน้อยลง และที่เกิดแล้วก็จะลดละจางคลายไปธรรมะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดเพิ่มขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นในสุดจิตใจเราก็จะมากไปในธรรมะท่านบอกว่าไม่มาถึงนิพพานเป็นชีไม่กลับมาแต่วัตตะเป็นที่ตั้งแห่งวัตจุมันมันมันเอามันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งวันนิพพานเนี่ย นิพานอย่างที่บอกว่าชื่อเรียกเยอะและแต่แลแต่ท่านจะเรียกในที่นี้เป็นการเรียกด้วยภาษาที่สมมุติแหละหมายความว่าเป็นที่ที่ไม่กลับมาแต่แม้แต่คำว่าที่ก็สมมุติเอานะฮะนิพานก็คือที่ที่ไม่มีการกลับมาอีกแต่ถามว่าที่อยู่ตรงไหนมันไม่มีที่ แต่ว่าต้องการจะสื่อสารนะต้องการจะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจท่านก็ใช้คําในลักษณะนั้นว่าอปุนากรมนังคือเป็นที่ที่ไม่กลับมาไม่มาถึงพระนิพพานอันเป็นที่ที่ไม่กลับมาหมายความว่าคนที่เข้าถึงนิพพานแล้วไม่กลับมาสู่สังสารวัฏอีกต่อไปท่านก็บอกว่า ไม่กลับมาแต่วัฏตะอันเป็นที่ตั้งแห่งมัจจุคือหมายความมาถ้าอยู่ในวัตตะเนี่ยเราก็เจอกระเกิดแก่ตายก็เน้นไปที่เจอความตายนิพพานไม่มีการตายเพราะไม่มีการเกิดเนื่องจากไม่มีตัวตนให้เกิดก็ไม่มีอะไรให้แก่ไม่มีอะไรให้เจ็บแล้วก็ไม่มีอะไรให้ตายก็เป็นการอธิบายสื่อ น, นิพพานนะนะ คอย่างนี้บอกว่าวิยพย์คนนิพพานอยู่เยอะมากยังนึกว่าคำที่ใช้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็ความหมายเดียวกันคือนิพพานเพราะมันไม่ใช่ภาษาอธิบายมันเป็นภาษาสัมผัสอะแล้วไม่รู้อธิบายยังไงแม้แต่มีมีการพูดในลักษณะนิพพานเป็นอาจตนะเป็นแดนเป็น พุทธเกษตร เ, ษเป็นอะไรต่างๆเนี่ยแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่เคยถามว่าท่านในพานมีลักษณะเป็นอย่างนั้นแล้วไปอยู่ทำอะไรไปอยู่เฉยๆทำอะไรคนอยู่เฉยๆนั้นมีราคาอะไรอ่ะมันจะต้องคือคือเราอย่าลืมว่าพระพุทธคุณนี่มเป็นเรื่องใหญ่มาก พระพุทธคุณมีปัญญามีความสุดมีความกรุณาพระพุทธเจ้าไม่เป็นอันกินอันนอนก็นแล้วกันในนะั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยเราดูที่พุทธกิจเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าพักไม่เกินสามชั่วโมงวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยพักไม่เกินสามชั่วโมงพระพุทธกิจมันมันมันเยอะแม้แต่ที่ท่านบอกว่า พ, พุทธกิจหลักมีห้าอย่างแต่เราเห็นว่าเวลามันว่างอยู่เยอะ แต่เวลาว่างตรงนั้นและใครต่อใครก็ไม่รู้หมอกเฝ้ามีคนเข้าคนออกอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะงั้นเราจึงพบว่าพระพุทธเจ้ามีปัญหาเรื่องช่องท้องก็อาจจะมีปัญหาส่วนหนึ่งก็มาจากตอนที่บนเป็นตัวกรกิริยาส่วนหนึ่งก็คือการใช้ยาบทในชีวิตประจำวันที่ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นในขันนะแต่ว่าไอ้รูปร่างกายเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามมันอะ ถึงคราวจะปัสสาวะถึงคราวจะถ่ายอุจจาระก็ต้องถ่ายเขาทีนี้บางทีบางคนข้าวต่อเนื่องมันก็ต้องกลัน้นต้องอดทนเอาไว้มันก็สะสมปัญหาเคยพบว่าหมอชีวกเคยประกอบยาถ่ายระบายถวายนะถ่ายถึงสามสเปอร์ครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามีธุรกิจเยอะมากก็ยังนึกเล่นๆว่า ถ้าในยุคสมัยนั้นมีเทคโนโลยีสมัยนี้เข้ามาช่วยทุกครั้งที่พระเจ้าเทศมีเจ้าหน้าที่อัดเทเไปทุกครั้งแล้วเก็บลงซีดีไว้โอโหมาสานเลยแต่คำสอนก็คงอยู่ในอริยศาสตร์อยู่นั่นแหละสมมติพระเจ้าดำรงประชชนอยู่อีกสักพันปี <S <S ก็สอนในอารยศาสตร์อยู่นั่นแหละมันสอนไปไหนหรอ โลกมันก็มีแค่อริยสัจเท่านั้นเองอเพราะนั้นแต่เราเข้าใจแล้วว่าพระุทธเจ้าที่จริงเนี่ยตั้งแต่สอนธรรมะจักมาแล้วก็ถือว่าจริงๆก็หมดแล้วธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ยนับหนึ่งที่ธรรมะจักไปได้หมดเ พ, เพราะอะไรพระอริยสัจอยู่ตรงนั้นแล้วเพียงแต่ว่าแสดงเฉพาะตัวหลักไม่ให้รายละเอียดเท่านั้นเอง ซึ่งในภาคปฏิบัติในรายละเอียดมันเจอเองโดยการปฏิบัติแต่ว่าที่เราเรียนเนี่ยมันจริงๆก็คือเป็นการอธิบายรายละเอียดจากพระไทยของพระองค์อย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าคือถ้าเรามองในรูปวงกลมเราจะเห็นว่าที่จริงธรรมะเนี่ยธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยเราไม่ค่อยได้พูดกันว่ามันเป็นปฏิเวทโดยสถานะ สถานะจริงๆมันเป็นปฏิเวทแต่ว่าพอออกจากพระโอษของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นปฏิเวทอยู่แต่พอเข้าหูคนฟังเนี่ยมันเป็นปริยัติพอคนฟังไปปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติแต่พอคนฟังสัมผัสผลก็จะเหมือนกับที่ออกมาจากพระโอษเช่นบอกปฐมฌานก็มีองค์ห้า คือวิตกวิจารปิติสุกเอกะกะตาคนที่ได้ฌานก็ต้องประกอบด้วยองค์ห้านี้แหละปฐมฌานเนี่ยรวรรณนิพานมันจะเหมือนกันแสดงว่าภาสภาวะนิพานที่ทรงอธิบายเนี่ยมันเป็นปฏิเบษโดยสถาน ะ, ะวันเมื่อคนปฏิบัติถ้าไม่สอดรับ ก, กับตัวปริยัติที่เราเรียนมาแสดงว่าไม่ถูกแสดงว่าปฏิบัติผิด แต่สังคมเราไม่ค่อยนิยมมาอาภิปรายมาทำความเข้าใจมาดูกันนะเคยคุยกับอาจารย์ใหญ่กรรมฐานแล้วก็ขัดขอท่านเดีท่านบอกว่ามารที่มาพจนพระพุทธเจ้าไายใต้ต้นโพเนี่ยเป็นกิเลสสมานบอกว่าไม่จริงอะหลวงพ่อหือถ้าอย่างนั้นไม่เป็นการดูหมินนะดูหมินสมาบัติแปดนะ แล้วจริงๆเนี่ยกิเลสชมาเนี่ยมันส ง, งบมาตั้งแต่ยตุตฌานแล้วมันเป็นวิขำปะนปะปาหานคือละโดยกำลังของฌานหมดแล้วแล้วถ้าหากว่ากิเลสชมาเนี่ยมารบ ก, กวนพระไทยอยู่ก็หมายความไงหมายความว่าฌานเนี่ย ส, สยบกิเลสไม่ได้เราก็ยุบหมดอะแต่มื่ก็เสียเรื่องหมดเลย เพรางันที่มาพระจนพระพุทธเจ้าภายใต้ต้นประสีมาโพเป็นเทวปุตตมานเพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนจะขึ้นประทับบนพระแท่นวัฒระาอดาเนี่ยพระเจ้าทบทวนสมาบัตแปดจนเป็นวสีคือชำนาญโร่งชำนาญอยู่แล้วอะพอจะเจริญสมาธิเข้านาะปานสติปัตปั๊บก็ไปเลย วันขึ้นไปในขณะที่ขึ้นไปเด็กที่ยิงได้สมาบัติแล้ววันเราจึงพบว่าตอนนั้นที่รับสั่งเล่าเนี่ยเรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกุปปะกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมจะน้อมไปเพื่อรู้และความรู้ก็เกิดผุดขึ้นผุดขึ้นครั้งแรกคือปุเพนิวสารวติญาณเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คุยกัน เมื่อวานสามสี่ปีที่แล้วเนี่ยอามากดก็เรียกว่ารรมาวิโตกคือหรึกนึกถึงธรรมมาอย่างนี้นั่งนึกนึกเอมันก็วูบขึ้นมาเอะมันเป็นปฏิเวทนะเราพูดปริยัติมไม่ถูกอะ่ะเลยก็โทรคุยกับหลายคนนะฮะแล้วก็โทรคุยกับผู้ใหญ่บอกว่าเห็นอย่างเงี้ยแอ้ท่านก็บอกว่าถูกต้องแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดกันดันก็เลย แมนะ้แต่อาจารย์กรรมฐานบางทีก็ดูหมิ่นพระเจ้าปิฎกนี่ไม่เกี่ยวกับปริยัตินะเดี๋อาพูดออกประสู์มาเลยไม่เกี่ยวกับปริยัติอีกคือพูดนอกปริยัติไม่ได้หรอกมันไม่มีแล้วไม่มีมคํำไม่รบพูดแล้วมันก็อยู่ในพระเต้าปิฎกหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านบอก ประการต่อไปท่านก็อธิบายความว่าเบญจขันธ์ไม่เกิดแต่ชันทะทุกก็เกิดแต่ชันทะชันทะนั่นคือความพอใจก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ต้องดูที่จิตของเรากระเ็ในว่าภายในจิตเราเนี่ยมันมีกามาธาตุคือเชื้อของความใคร่ยอยู่เพราะมีกามาธาตุจึงมีกามสัญญาคือจาหมายว่าไอเนี้ยน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจ พอกามสัญญาพอมาคิดมากก็เป็นการมสังกระปะคือดำริด้วยอำนาจความใคร่หรืออาจจะเรียกว่าการมีต ก, ก็แล้วแต่แล้วพอคิดไปบ่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าอาการใคร่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันก็เป็นกรมกรมะกมันทะก็เป็นนิวรณ์นะฮะเป็นนิวรณ์ข้อที่นเป็นการมฉันทะพอการมฉันทะพอคิดมากๆใจเันเชเริ่มจะร้อนขึ้นก็เป็นการมมะปริลาหะ ปกากรรมมารรยาห์มันก็เกิดแรงขึ้นก็กลายเป็นตันหาก็มันเป็นกรามอาันตราก็จิมก็ดิ้น อ, ออกไปเพื่อจะหาอารมณ์ที่จิตไข้อะปะกากรรมอันหาเสร็จแล้วทนอยู่ไม่ได้ก็เป็นกา ม, มาปรเยาสนาเริ่มสแสวงหาสแสวงหาทีนี้ถ้าตันหามากเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวเนี่ยมันจะเกิดทุจริตแหละแสวงหาในทางที่ทุจริต ก็ด้วยวิธีการต่างๆนะเราจะเห็นว่าที่จริงก็คืออาการของโลภะอาการตัณหาอาการกราคะทั้งนั้นแหละปวกอัจฉริกรรมทั้งหลายไม่มีอะไรเลยนะเป็นอาการกิเลสทั้งนั้นเพราะว่าภายในใจเรามีเชื้ออยู่ในที่นี้ท่านยิงบอกที่ตัวตัวตัวลึกเลยนะตัวกามาชันทะเนี่ยแต่ว่าท่านใช้กรมชันทะเพราะนั้น ชื่อเหล่านี้มันเป็นแทนกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะเรียกยังไงก็ได้นะฮะก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเราจะเห็นว่าบางครั้งก็เรียกว่าราคะแล้วก็เรียกนิพพานะวิราคะก็ไม่ได้ว่าอะไรมันหมายความว่าถ้าปราศจากราคะก็หมายความเป็นวิราคะแล้วก็หมายความปราศจากโทสะด้วยปราศจากโมหะด้วยโมหะอาจจะไม่สิ้นเชิงหรอกแต่ถ้าถึงวิราคะแล้วโมหะก็ต้องหมดล้ ปมัมโมหะจะเป็นวายพจท์ของนิพพานซึ่งนิพพานมันก็เริ่มต้นที่ปโสดาบันเพราะงั้นบางบางกรณีก็แล้วแต่ที่วางนะฮะแล้วแต่ที่วางว่าเขาวางอยู่ตรงไหนเพราะเพราะกําจัดเบนจะขันได้จึงกําจัดเบนจะขันได้หมายความ่าเพราะกราจัดสัรทะาเสียได้เนี่ย กำจัดเบญจขันได้หมายความเบญจขั น, ขนกำจัดสองช่วงในช่วงนี้ก็คือกำจัดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเกี่ยวเราเข้าไปเป็นตรงไหนตรงไหนก็ยุ่งทุกที่แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือกำจัดการอุบัติของเบญจขั น, ขนเพราะอะไรเพราะว่ามันไปนทําลายเทววิชาเวิชาดาบสังขารก็ดับเพราะสังขารก็ดบัดบ ไอวิญญาณมันก็ไม่มีที่เกิดนามรูปมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นการเกิดมันก็ไม่มีก็กลายเป็นนิพพานก็เรียกว่าไม่เบานะเทวดานี่เก่งทีเดียวแหละแล้วท่านก็บอกว่าเพราะกําจัดเบญจขันได้ในที่นี้ไม่จะทําลายตัวนะไม่จะฆ่าตัวเบญจขันนะทาลายความยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันเพราะฉะนั้นเวลาอธิบาย อสภาพจิตของพระหันที่บอกว่าอาสเบหิ eh h, จิตานิวจริสุติจิตหลุดพ้นจากอาสวะทางหลายไม่ถือมั่นด้วยอุปาทานไอตัวความทุกข์เนี่ยเวลาทรงแสดงโดยสรุป ส, ปสังกิเตนะปัญจปาทานคขันธาทุขากาโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยเป็นทุกข์วันในที่นี้เน้นไปที่การทำลายอุปาทานในตัวขัน แต่ก็อย่าไปติดใจสับมากนะฮะเพราะว่าอาจจะเรียกอย่างอื่นอาจจะเรียกว่าโลภอาจจะเรียกว่าตัณหาอาจจะเรียกว่าอาสวะอาจจะเรียกอนุสัยอาจจะเรียกสังโยชน์ก็ไม่รู้เป็นตัวแทนของกิเลสในทีนี้เทวดาเรียกว่าจึงจะกําจัดทุกได้อารมณ์อันงามทั้งหลายในโลกมันก็ไม่เป็นกลางสมาทานเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคําว่าพระอรหังจึงแปลว่าไกลาจากกิเลส ที่จริงท่านก็เจออารมณ์เจอรูปสวยเสียงไพเราะกลิก่นหอมๆอมรสอร่อยสัมผัส น, น่าจะต้องอยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดาหรืออย่างพระพุทธเจ้าที่ไปเชิญกับนางตนาราคะาเรตีปรุงแต่งมาอย่างดีหมดนะฮะทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสแล้วก็ผู้หญิงวัยต่างๆสูดทรงต่างผิวพธุ์ต่า ง, างหมดเลยคือเอามาหมดเลย หมายความระดมสปปรรพกรรมังลงมเนเต็มที่เลยเพื่อจะย่วยยวนให้พระพุทธเจ้าเกิดกามราคะแต่มันไม่มีอ่ะไม่มีเชื้อให้เกิดพอ่ะพระพุทธเจ้าประทับนั่งก็ที่จริงก็เหมือนพระพุทธรูปเหมือนคนไปย่วยวยวนไล่รำอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปนี่ก็ก็เหนื่อยไปก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามีสิทธิ์ที่จะย่วยยวนแต่ว่าใจขนาดนี้แล้วเนี่ย มันจะไม่มีคําว่ากลามหมายความอารมณ์อารมณ์คงมีอยู่นะฮะแต่ว่ากาง ม, มันไม่เกิดสมบัติท่านเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไว้ในตอนต้นว่าท่านเน้นที่ตัววัตถุ ก, กาท ง, ทงทางทางที่จริงๆแล้วไอ้ตัวกางจริงๆคือตัวกิเลสกลามตัววัตถุกลามมันเกิดขึ้นจากการดั บ, บริเอาการคิดเอาการปรุงเอา้าความยึดถือเอาความเข้าใจเอา เพราะงั้นถ้ามันเป็นกา ร, ร ม, มันต้องเป็นกา ร, รตลอดแต่มันไม่ได้เป็นอ่ะพอกิเลสกรรมดับมันก็ดับอ่ะมันก็เป็นสักแตวรูปสักแต่ว่เสียงสักแต่ว่ากลินสักแต่วรถสักแต่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งสักแต่ว่าอารมณ์ไม่สามารถจะกระตุ้นเร่งร้าวอะไรได้มันมีอํานาจดิบิพุทอะไรเราทั้งอธิบายว่าความกําหนัดที่พร้อมไปด้วยความดําริเป็นกา ร, รของบุรุษ อารมณ์อันงามทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ในโลกอย่างนั้นนั่นแหละคือมากกว่าไม่ยันที่บอกนะว่าอารมณ์มันนเราไปทาอะไรมันไม่ได้คือปัญหาจริงๆเราต้องแก้ข้างในมันไม่จะแก้ข้างนอกหรอกแก้ข้างนอกมันแก้ไม่ได้ครับคนเกลียดจะทำยังไงก็ละ่ะคือเราแก้ที่ใจเราเราไม่เกลียดตอบไปเขาอยากเกียดเกลียดก็เรื่องของเขา เพราะคนเราถ้าลงก็จะเกลียดเนี่ยเราดียังไงเขาก็เกลียดพระพุทธเจ้ายังถูกริษยาเลยจะเอาอะไรจะเอาอะไรกับอารมณ์โลกแล้วในความรับผิดชอบต่อตัวเราในวิถีของพุทธจริงๆเราจรึงไม่มองออก้างนอกที่ทรงสอนว่าจงเตือนตนด้วยตนพิจารณาตนด้วยตนตรวจสอบตนด้วยตนตัดสินตนด้วยตนเราแก้ปัญหาที่ตัวเราแต่ละคน แต่ว่าสังคมเนี่ยมันชอบไปจัดแถวชาวบ้านชอบไปจัดแถวต้องเป็นอย่งงางนั้นต้องเป็นอย่งงางนี้พระต้องเป็นอย่งงางนั้นคนนั้นต้องเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่างนั้นรัฐบาลต้องเป็นอย่งงางนั้นเวลารัฐบาลไหนก็รัฐบาลนั้นแหละถูกด่าทั้งนั้นแหละเพราะอะไรเพราะคนชอบเพ่งโทษออกไปข้างนอกทั้งทั้งที่หลักของบัณฑิตจริงๆเนี่ยเขามองกลับก็าหาตัวเองพระวันใดที่เรายังมองอกอกข้างนอกเนี่ยใจเราจะไม่สงบ แต่ถ้าเรามองกลับไปที่ข้างในและเราแก้ที่ตัวในอะ่ะแก้ที่จิตเราแล้วความสงบก็จะเกิดขึนปัญหาเรื่องความคิดจึงถือว่าเป็นเรื่องสาคัญคำถามที่เราจะต้องตอบไปได้ว่าสาคัญว่าคุณคิดอย่างไงในเรื่องนี้อารมณ์โลกมันมีอยู่แต่ปัญหาว่าเราคิดอย่างไงเราไปแก้อารมณ์โลกไม่ได้แต่เราแก้ที่ความคิดเราได้ฝั่งฟังลาย